ธรรมทินนาเทริยาประทานประวัติในติชาติของพระธรรมทินนาเทรีพระธรรมทินนาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในติชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปครั้งนั้นมอมฉันเกิดในตระกูลหนึ่งในกรุงหงสวดี เป็นผู้มีปัญญาสำรวมอยู่ในศีลรับจ้างทำงานของคนอื่นพระเถระนามว่าสุชาตะอัครส า, าวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมตระออกจากวิหารไปบินบาบครั้งนั้นมอมฉันเป็นคนหาบน้ำถือหม้อน้ำเดินไปอยู่เห็นท่านแล้วเลื่อมใสได้ถวายข น, นมด้วยมือของตนท่านรับแล้วนั่งฉันหน้าที่นั้นเอง แต่นั้นหม่อมฉันนิมนต์ท่านไปยังเรือนได้ถวายโภชนาหารแก่ท่านจากนั้นเจ้านายของหม่อมฉันมีความยินดีแล้วได้แต่งหม่อมฉันเป็นลูกสะพ้ายของตนหม่อมฉันได้ไปถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแม่ผัวครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงประกาศแต่งตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งผู้เป็นธรรมกระถึกไวในเอตัคะ ม่อมฉันได้ฟังพุทธธรรมรัดนั้นแล้วมีความเบิกบานได้ทูลนิมนต์พระสุคตทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ถวายมหาทานแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้นลำดับนั้นพระสุคตผู้มีพระสุรเสียงไพเราะดูดเมฆคำรนได้ตรัส ก, กับม่อมฉันว่าเธอจงยินดีบำรุงอังคาบเราพร้อมทั้งพระสงฆ์ขนขวาในการสับพระศธรรมมีใจเจริญด้วยคุณธรรม เธอผู้เจริญเธอจงเป็นผู้เบิกบานเถิดเธอจกได้ตำแหน่งนั้นซึ่งเป็นผลแห่งความปรารถนาในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอคกา ก, าการาชจากอุบัติขึ้นในโลกสตรีผู้นี้จะมีนามปรากฏว่าธรรมตินนาเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตร จักเป็นสาวิกาของพระาศาสดาพระองค์นั้นหม่อมฉันได้ฟังพุทธพยากรณ์นั้นแล้วเป็นผู้มีความยินดีมีจิตประกอบด้วยเมตตาบร่รรงพระมหาหมุนีผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิตด้วยกรรมที่หม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหม่อมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้เกิดเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง ในพัทระกับนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณ์มีพระยศยิ่งใหญ่พระนามว่ากัสศปะตามพระโคดประเสริจกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นพระเจ้าปาศีพระนามว่ากิกีทรงเป็นใหญ่กว่านรชนในงกรงพารณสีที่ประเสริฐสุดทรงเป็นอุปถากของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่หม่อมฉันเป็นที่ดาวคนที่หกของพระองค์ มีนามปรากฏว่าสุธรรมมาได้ฟังธรรมของพระชินเจ้าผู้เลิศแล้วพอใจการบนรประชาแต่พระชนกนาถไม่ได้ทรงอนุญาตใหม้มอมฉันทั้งหลายบวชครั้งนั้นมอมฉันทั้งหลายไม่เกียรคร้านครองเรือนอยู่สองหมื่นปีพานวาระที่สามจบพระราชกันยาทั้งเจ็ดองมีความสุขประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่ยังเป็นกุมารี เริ่เพลินยินดีอุปถัมพระพุทธเจ้าคือรหนึ่งพระนางสมณีสองพระนางสมณพุตตาสพระนางภิกษุณีสี่พระนางภิกขุทาสิกาหพระนางธรรมมาหพระนางสุธรรมมาเจพระนางสังฆาสิกาพระราชธิดาทั้งเจ็ดนั้นได้กลับชาติมาเกิดคือพระเขมาเทรีหนึ่งพระอุบลวรนนาเทรีหนึ่ง พระปตาจาราเทรีหนึ่งพระกุณฑลเกศีเทรีหนึ่งมอมชั้นหนึ่งพระดีสาโพตมีเทรีหนึ่งและคนที่เจ็ดเป็นวิสาขามหาอุบาสิกาด้วยกรรมทั้งหลายที่ม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นมอมฉันละลายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงบัดนี้เป็นพบสุดท้าย หม่อมฉันเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มีความเจริญมั่งคั่งให้สำเร็จความประสงค์ทั้งปวงในกรุงราชคลเ้อที่ประเสริฐสุดในคราวที่หม่อมฉันดำรงอยู่ในปฐมวัยรุ่นสาวประกอบด้วยรูปสมบัติได้ไปสู่ตระกูลอื่นแต่งงานเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยความสุขอยู่สามีของหม่อมฉันเป็นผู้มีความรู้ดีเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกสับพระธรรมเทศนาแล้ว ได้บรรลุอนาคามิผลครั้งนั้นหม่อมฉันได้ขออนุญาตสามีนั้นแล้วออกบวชเป็นบนรรพชิตโดยการไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลครั้งนั้นสามีผู้เป็นอุบาสกนั้นได้เข้าไปหาหม่อมฉันแล้วได้ถามปัญหาที่ละเอียดลึกซึ้งมากหม่อมฉันแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นได้พระชินเจ้าทรงพอพระทยัยในคุณสมบัตินั้น จึงทรงตั้งหม่อมฉันไว้ในเอตถพระด้วยพระดำรัสว่าเราไม่ได้เห็นภิกษุณีรูปอื่นผู้เป็นพระธรรมกระเถเหมือนภิกษุณีธรรมทินนานี้เลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำภิกษุณีธรรมทินนาว่าเป็นนักปราชดหม่อมฉันอันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำทรงอนุเคราะห์แล้วชื่อว่าเป็นบัณฑิตอย่างนี้ พระศาสดาหม่อมฉันก็ปรนิบัติแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันได้ทําแล้วภาระอันหนักหม่อมฉันก็ปลงลงได้แล้วตัณหาที่นําไปสู่พบหม่อมฉันก็ถอนได้แล้วกุลระบุตรกุลธิดาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใจประโยชน์นั้นคือความสิ้นสัมโยชนท้งปวงหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลําดับหม่อมฉันเป็นผู้มีความชํานาญในฤกษ์ ในทิประโสตธาตุและในเจโตปริยญาณเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ปุเพนิวาสานุสติญาณทิพยจักสุม่อมฉันก็ชำระให้หมดจดแล้วม่อมฉันทำอาสวะทั้งปวงให้สิ้นแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินกิเลสทั้งหลายม่อมฉันก็ได้เผาแล้วภพทั้งปวงม่อมฉันก็ถอนได้แล้ว หม่อมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่หม่อมฉันมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามหม่อมฉันได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่ วิโมกแปดและอภินยาหกม่อมฉันก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าม่อมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าพระธรรมทินนาภิกษุณีได้พาสุคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนิธรรมทินนาเถริยาประทานที่สามจบ 4. สสกุลาเถริยาประทาน ประวัติในดิตชาของพระสะกุลาเทรีพระสะกุลาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาของตนจึงกล่าวว่าพระจีนเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ถึงความสําเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นําเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกราบที่หนึ่งแสนนับจากกราบนี้ไปพระองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่าเจ้าละทิทั้งหลายเป็นบุรุษอาชาในทรงปฏิบัติเพื่อเลื้อกูลเพื่อความสุข เพื่อประโยคน์แก่สรรพสัตว์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระชินเจ้าผู้มีพระยศอันเลิศมีพระสิริมีพระเกียติคุณฟุ้งขจรไปอันชาวโลกทั้งปวงบูชาแล้วมีพระคุณปรากฏไปทั่วทิศพระองค์ทรงข้ามพ้นความสงสัยแล้วทรงล่วงความเคลือบแคลงแล้วมีความดําริในพระไถยบริบูรณ์เต็มที่ทรงบรรลุสัมโพธิญาณที่ประเสริฐสุด พระองค์ทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งนรกทรงทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นตรัสบอกมรรคที่ยังไม่มีใครบอกทรงทำธรมรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดพร้อมพระองค์ทรงรู้มรรครู้แจ้งมรรคตรัสบอกมรรคเป็นผู้องค์อาจกว่านรชนเป็นพระศาสดาผู้ฉลาดในมรรคผู้ประเสริฐสูงสุดในบรรดาสารถีทั้งหลายผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา ผู้เป็นที่พึ่งทรงเป็นผู้นำทรงแสดงธรรมถอนเหล่าสัตว์ผู้จมอยู่ในเปลือกตมคือกามครั้งนั้นมอมฉันเกิดเป็นนางประสัตรในกรุงหงสวดีมีนามว่านันธนามีรูปสวยโปรยรัยหน้าเอ็นดูมีสิริเป็นที่ดาของมหาราช พ, พระนามว่าอนันทะงดงามอย่างยิ่งเป็นภักนีต่างมานดาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมตระ พ่อมล้อมได้ราชกัญญาทั้งหลายประดับด้วยเครื่องอาพรทุกชนิดเข้าไปเฝ้าพระมหาวีระได้ฟังพระธรรมเทศนาครั้งนั้นพระมหาวีระเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้แจ้งโลกทรงตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งผู้มีทิพยจักสุไว้ในเอตทัทคะในถ้ำกลางบริสัทสมอมฉันได้ฟังพุทธตํารัตนนั้นแล้วมีความร่าเริง ถวายทานแดพระาศาสดาและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ปรารถนาที่ระยะจักรสุจากนั้นพระาศาสดาได้ตรัสกับม่อมฉันว่านันทนาเธอจะได้ตำแหน่งตามที่เธอปรารถนาตำแหน่งที่เธอปรารถนานี้เป็นผลแห่งประทีปธรรมและทานในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระาศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโค์ ทรงสมภพในราชสกุลโอคากากา ร, ราจากอุบัติขึ้นในโลกสตรีผู้นี้จะมีนามว่าสกูลาเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรจากเป็นสาวิกาของพระาศาสดาพระองค์นั้นเ้ืยอกรรมที่หม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหม่อมฉันลากายมนุษย์แล้วจึงได้เปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึง ในพัตระกับนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์ของพราหมณมมีประยศยิ่งใหญ่พระนามว่ากัสปะตามพระโครประเสริฐกว่าเจ้าละทิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นมอมฉันเป็นปริภาชิกาประพฤติอยู่ผู้เดียวเที่ยวพิขาจารได้เพียงน้ำมันมีใจผ่องใสใช้น้ำมันนั้นตามประทิบูชาพระเจดีย์ชื่อว่าสัพพสังวร ของพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ก, กว่าเทวดาและมนุษย์ด้วยกรรมที่หม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหม่อมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้เปิดเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะอำนาจแห่งกรรมนั้นหม่อมฉันเกิดในที่ใดใดประที่เป็นอันมากส่องแสงสว่างเพื่อหม่อมฉันผู้อยู่ในที่นั้นนั้นหม่อมฉันเห็นสิ่งที่อยู่นอกฟ้าหรือสิ่งที่อยู่นอกกำแพง และเห็นทะลุภูเขาตามที่ปรารถนานี้เป็นผลแห่งการถวายประทีปมอมฉันมีในตาแจ่มใสรุ่งเรืองยยด้วยยศมีศรัทธามีปัญญานี้เป็นผลแห่งการถวายประทีปบัดนี้เป็นพบสุดท้ายมอมฉันเกิดในตระกูลมหาศาลมีทรัพย์และเข้าเปลือกมากมายที่มหาชนยินดีพระราชาทรงบูชายกย่อง มอมฉันผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะทั้งปวงประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกชนิดยืนอยู่ที่หน้าต่างได้เห็นพระสุคตเสด็จเข้าไปในเมืองพระองค์ทรงรุ่งเรืองด้วยพระยศอันเทวดาและมนุษย์ศักการะบูชาทรงสมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะประดับด้วยพระลักษณะทั้งหลายมอมฉันมีจิตเบิกบานมีใจยินดีบวชแล้วไม่นานก็ได้บรรลุอรหัตผล หม่อมฉันเป็นผู้มีความชำนาญในริษมีที่ประสตถาทัตและในเจโตปริยญาณเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศ า, าสดารู้ปุเพนิวาสานุสติญาณทิพยจักสุหม่อมฉันก็ชำระให้หมดจดแล้วหม่อมฉันทําอาสวะทั้งปวงให้สิ้นแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินพระศ า, าสดาหม่อมฉันก็ปรนิบัติแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหม่อมฉันได้ทำแล้วภาระอันหนักหม่อมฉันก็ปลงลงได้แล้วปัญหาที่นำไปสู่พหม่อมฉันก็ถอนได้แล้วกุลบุตรกุลธิดาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นคือความสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงหม่อมอฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับจากนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณา ผู้สูงสุดแห่งนรชนทรงตั้งหม่อมฉันไว้ในเอตทัทคะว่าสกูลาภิกษุณีเป็นผู้เลิกก่าบรรดาภิกษุณีทั้งหลายผู้มีที่พญจักสุกิเลทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงหม่อมฉันก็ถอนได้แล้วหม่อมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุดพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ได้ทราบว่าพระสะกุลาภิกษุณีได้พาสึกฐาเหล่านี้ได้ประการฉันนีสกุลาเทริยาประธานที่สี่จบหนันทาเทริยาประธาน ประวัติในดิตชาติของพระนันทาเทรีพระนันทาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระชีนเจา้าพระนามว่าปทุมตระผู้ถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระองค์เป็นผู้ตรัสสอนทรงแสดงธรรมให้สัตว์รู้ชัดได้ทรงช่วยสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจำนวนมากพระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์ประกอบด้วยพระกรุณาทรงแสวงหาประโยคเกื้อกูลเพื่อสรร พ, พสัตว์ทรงทำเดรัจีที่มาเฝ้าทั้งหมดให้ดำรงอยู่ในเบญจศีลเมื่อเป็นเช่นนี้าศาสนาจึงหมดความอาคูลหมดเสี้นน้าว่างจากผู้เดรัีและงดงามด้วยพระอรหันต์ทั้งหลาย ผู้ได้วสีผู้คงที่พระมหามุนีพระองค์นั้นทรงมีพระวรกายสูงห้าสิบปดศอกมีพระชวีเปล่งแปล่งดังทองคําที่ล้ําค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐสามสิบสองประการครั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายมีอายุประมาณหนึ่งแสนปีพระชินสีพระองค์นั้นก็ทรงดํารงพระชนมายุประมาณเท่านั้นทรงช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นได้เป็นจํานวนมากครั้งนั้น มอมฉันเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มีความรุ่งเรืองด้วยรัตนะต่างๆในครุงหงสาวดีเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยความสุขมากมอมฉันได้เข้าเฝ้าพระมหาวีระพระองค์นั้นแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาอันประกาศถึงปรมัตถธรรมที่ไพเราะอย่างจับใจยิ่งนักซึ่งเป็นอมตะธรรมครั้งนั้นมอมฉันมีความเลื่อมใสได้ทูลนิ ม, มนต์พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นาสัตว์โลก พร้อมทางพระสงค์ได้ถวายมหาทานแด่พระองค์ด้วยมือของตนได้ซบศีรษะลงใกล้พระวีระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมทางประสงค์ปราถนาตำแหน่งที่เลือ่อควาภิกษุณีทั้งหลายผู้เข้าฌานครั้งนั้นพระสุคตผู้ฝึกนรชนที่ยังไม่ได้ฝึกเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามทรงเป็นใหญ่ทรงพยุงนรชนไว้เป็นอย่างดีตรัพยากรว่า เธอจักได้ตำแหน่งที่เธอปรารถนาไว้ดีแล้วนั้นในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคโดมตามพระโครทรงสมภพในราชสกุลโอกากาการาชจากอุบัติขึ้นในโลกสตรีผู้นี้จักมีนามปรากฏว่านันทาเป็นธรรมทายาทเป็นโอรสที่ทาเนรมิตรเป็นสาวิกาของพระศาสดาพระองค์นั้นครั้งนั้น หมอมฉันได้ฟังพุทธพยากรอนนั้นแล้วเป็นผู้มีความยินดีมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรงพระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิตด้วยกรรมที่หมอมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหมอมฉันละกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงหมอมฉันจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามา จุติจากสวรรค์ชั้นยามานั่นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีจุติจากสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นปรณิมมิตวสวัตตีเพราะอำนาจแห่งกรรมนั้นหม่อมฉันเกิดในภพใดๆในภพนั้นๆก็ได้เป็นพระเมเหสีของพระราชา มอมฉันจุติจากสวรรค์ชั้นปรานิมิตรวัสวัตดีนั้นแล้วมาเกิดในหมู่มนุษย์ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจักรพัทและได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินหลายชาติสวยสมบัติทั้งในเทวโลกและมนุษย์โลกมีความสุขทุกชาติเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกลับเป็นอันมากเมื่อถึงพบสุดท้ายมอมฉันเกิดปินธิดาของพระเจ้าสุโทธทนะในกรุงกบิลพัท เป็นผู้มีรูปสมบัติอันใครๆไม่นินทาราชสกุล น, นั้นเห็นม่อมฉันมีรูปงามดังดวงอาทิตย์จึงพาันชื่นชมเพราะฉะนั้นมอมฉันจึงมีนามว่านันทาเป็นผู้มีรูปลักษณ์ที่งดงามประเสริฐในกรุงกบิลพั์ซึ่งเป็นราชธานีที่รื่นรมนั้นนอกจากพระนางยโสธราแล้วปรากฏว่ามอมฉันมีความงามกว่ายุวนารีทุกคน พระเธถาดาก็เป็นพระพุทธเจ้าผู้เลิศในโลกสามพระพาดาองค์สุดท้ายก็เป็นพระอรหันต์มอมฉันเป็นสตรีเพียงผู้เดียวที่เป็นครหะห์พระมารดาทรงตักเตือนว่าลูกรักเจ้าเกิดในจักรยสกุลเป็นน้องของพระพุทธเจ้าเมื่อเว้นจากนันทกุมารแล้วจกได้ประโยชน์อะไรในวังเล่าความเป็นหนุ่มสาวก็มีความแก่เป็นที่สุด รูปบันดิตรู้กันว่าเป็นของไม่สะอาดแม้ไม่มีโรคก็มีโรคเป็นที่สุดชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรูปที่สวยงามของเธอแม้นี้หน้าใคร่ดังดวงจันทร์จูงใจให้นิยมอลังการด้วยเครื่องประดับทั้งหลายคล้ายกำหนดรู้ได้ด้วยสิริดูเป็นสิ่งสำคัญของชาวโลกที่เขาบูชากันเป็นที่ดึงดูดแห่งนยนาเป็นที่ก่อเกิดการสรรเสริญบุญ เป็นที่ชื่นชมแห่งวงโอกะกาก ร, ราดโดยการไม่นานนักความแก่ก็จะมาครอบงำลูกรักผู้มีรูปอันเคยใครไม่นินทาจงและพระราชฐานและรูปกายที่บัณฑิตตำหนิแล้วประพฤติธธรำเถิดหม่อมฉันผู้ยังโลเลในรูปที่ยังเป็นสาวได้ฟังพระดารัสของพระมารดาแล้วก็ออกบวชเป็นบนรรพชิ ต, ตแต่เพียงกายแต่หาออกบวชด้วยจิตใจไม่ หม่อมฉันระลึกถึงตนด้วยความขนขวายตรวรายอย่างมากพระมารดาตรัสตักเตือนเพื่อให้ประพฤติ ธ, ธรรมแต่หม่อมฉันไม่ได้สนใจขนขวายในการประพฤติ ธ, ธรรมนั้นเลยครั้งนั้นพระจีนเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาทอดพระเนรเห็นหม่อมฉันผู้มีผิวหน้าดังดอกบัวเพื่อให้หม่อมฉันเกิดความเบื่อหน่ายในรูปกายจึงทรงเนรมิตหญิงคนหนึ่งมีความงามน่าชมน่าชอบใจยิ่งนัก มีรูปงามกว่าหมอมฉันให้อยู่ในครองแห่งจักสู่ของหมอมฉันด้วยอนุภาพของพระองค์หมอมชันอัศจรรย์ใจเพราะเห็นหญิงที่มีเรือนร่างอันหน้าอัศจรรย์ยิ่งนักก็คิดว่าเราเห็นหญิงมนุษย์ดังกล่าวนี้มีผลดีและเป็นลาบแก่ในตาของเราเชิญเถิดแม่คนงามแม่จงบอกสิ่งที่ต้องประสมแก่ฉันฉันจะให้แม่จงบอกสกุลนามขั้วของเธอแก่ฉัน ถ้าเธอพอใจแม่คนงามเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาแห่งปัญหาแม่จงนอนหนุนตักเราทับซ้อนร่างกายเราหลับสักครู่หนึ่งเถิดจากนั้นแม่คนแสนสวยก็นอนผ้าสีษะบนตักหมอมฉันของแข็งขนาดใหญ่ตกไปที่หน้าผาของนางพร้อมกับของแข็งที่ตกมากระทบรอยโปนก็ปรากฏขึ้นและทั้งหนองทั้งเลือดก็ไหลออกจากซ่าุขที่แตก แม้ใบหน้าที่แตกแล้วนั้นก็มีกลิ่นคล้ายซากศพเน่าโชยออกมาทั่วทั้งสิริระพองขึ้นเขียวคล้ำแม่คนสวยมีสันพางกายสั่นหายใจหอบทีๆสวยทุกข์ของตนอยู่รำพันอย่างน่าสงสารหม่อมฉันเป็นทุกข์เพราะทุกนั้นต้องเวทนาจมอยู่ในทุกข์ใหญ่ขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งแม่นางเป็นเพื่อนของหม่อมฉัน ใบหน้าที่งามของแม่หายไปไหนจมูกที่โด่งงามของแม่หายไปไหนริมฝีปากที่สวยเหมือนสีลูกมะพร้าวสุขของแม่หายไปไหนวงหน้าที่งดงามของแม่หายไปไหนวันหนะที่เปล่งปลัง่งดังดวงจันทร์หายไปไหนและลำคอที่คล้ายปล้องทองคำของแม่หายไปไหนใบหูของแม่ดังพวงดอกไม้ก็หมดสีสันวันณนะไปเสียแล้ว ทันที่กลมกลึงคล้ายดอกโบวตูมทั้งคู่ของแม่แตกแล้วมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปคล้ายซากศพเน่านางมีเอวคออกลอมมีตะโพกพึงภายนำสิ่งชั่วร้ายมาให้เหมือนเขียงเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดโอรูปไม่เที่ยงอวัยวะที่เกิดจากสริระทั้งหมดมีกลิ่นเหม็นเน่าน่ากลัวน่าเกลียดเหมือนซากศพในป่าช้าที่พวกคนข่าวพากันยินดี ครั้งนั้นพระพาดาผองมอมฉันผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาทอดพระเนตรเห็นหมอมฉันผู้มีจิตสังเวชจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ว่านันทาเธอจงดูรูปกายที่กระสับกระสายเปื่อยเน่าดังซากศพจงอบรมจิตให้ตั้งมั่นด้วยดีมีอารมณ์เดียวด้วยอารมณ์อันไม่งามรูปนี้เป็นฉันใดรูปของเธอนั้นก็เป็นฉันนั้น รูปของเธอนั้นเป็นชันใดรูปนี้ก็เป็นชันนั้นมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปที่พวกคนเขลาพากันยินดียิ่งนักเธอไม่เกียดคร้านพิจารณาเห็นรูปเป็นอย่างนั้นทั้งกลางคืนกลางวันแต่นั้นจะเบื่อหน่ายยิ่งนักเห็นด้วยปัญญาของตนจากนั้นหมอมฉันมีจิตสลดเพราะฟังคทถาสุภาษิตยืนอยู่ณที่นั้นก็ได้บรรลุอรหัตผล ม่อมฉันเข้าฌานตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งอยู่นาทีใดใดพระชินเจ้าทรงพอพระทยในคุณสมบัตินั้นจึงทรงตั้งหม่อมฉันไว้ในเอตถ ะ, ะคะกิเลสทั้งหลายม่อมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงม่อมฉันก็ถอนได้แล้วม่อมฉันตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ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 ได้ทราบว่าพระนันทาพิสุณีผู้เป็นชนบทกรยาณีได้พาศักยาเหล่านี้ด้วยประการชนี้นันทาเทริยาประธานที่ห้าจบ 6. โซนาเทริยาประธาน ประวัติในดิตชาตของพระโสรนาเทรีพระโสรนาเทรีเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าพระจีนเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระผู้ถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปครั้งนั้นมอมฉันเกิดในตระกูลเศรีเป็นผู้มีความสุขถูกประดับตกแต่งเป็นที่รัก เข้าไปฝ้าพระมุนีผู้ประเสริฐพระองค์นั้นได้ฟังพระดํารัสที่ไพเราะพระชินเจ้าทรงสรรเสริญภิกษุณีรูปหนึ่งว่าเป็นผู้เลิกกว่าภิษุณีทั้งหลายผู้ปรารกความเพียรมอมฉันได้ฟังพุทธดํำรัสนั้นแล้วเป็นผู้มีความยินดีทำสักระพระศาสดามอมฉันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้ปรารถนาตําแหน่งนั้นในการนั้นพระมหาวีระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาว่า ความตั้งใจปรารถนาของเธอจักสําเร็จเนกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกกาคราชจากอุบัติขึ้นในโลกสตรีผู้นี้จะมีนามปรากฏว่าโสซนาเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทาเนรมิตรจากเป็นสาวิษกาของพระศาสดาพระองค์นั้น หม่อมฉันได้ฟังพุทธพยากรณ์ น, นั้นแล้วเป็นผู้มีความยินดีมีจิตประกอบด้วยเมตตาบ่มรงพระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายโดยประการเช่นนั้นจนตลอดชีวิตด้วยกรรมที่หม่อมฉันได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งไว้มั่นหม่อมฉันละกลายมนุษย์แล้วจึงได้เปิดเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงษ์บัดนี้เป็นภพสุดท้าย หม่อมฉันเกิดในตระกูลเศรษฐีเจริญมั่งคั่งด้วยทรัพย์มากในกรุงสาวัถีที่ประเสริฐเมื่อหม่อมฉันเจริญวัยเป็นสาวแล้วได้ไปสู่ตระกูลสามีคลอดบุตรชายสิบคนล้วนแต่ไม่รูปงามยิ่งนักบุตรทุกคนนั้นดำรงอยู่ในความสุขติดตาตรึงใจผู้คนให้นิยมแม้แต่พวกสตรูก็ชอบใจสำหรับหม่อมฉันไม่ต้องพูดถึงพวกเขาเป็นที่รัก ครั้งนั้นโดยที่หม่อมฉันไม่ต้องการสามีหม่อมฉันพร้อมทั้งบุตรทั้งสิบคนพากันไปบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพในการนั้นหม่อมฉันอยู่แต่ผู้เดียวคิดว่าพอละด้วยชีวิตของเราผู้พระพราจากสามีและบุตรเป็นคนแก่น่าสงสารแม้เราก็จักไปยังอารามที่สามีเราไปถึงครั้นคิดอย่างนี้แล้วจึงบวชเป็นบนรรพชิต ครั้งนั้นพวกพิสุณีปล่อยหมอมชันไว้ในสำนักแต่เพียงผู้เดียวสั่งหมอมชันว่าเธอจงต้มน้ำไว้แล้วก็พากันจากไปขณะนั้นหมอมฉันนำน้ำมาแล้วใส่ลงไปในหม้อตั้งบนก้นเจ้าแล้วนั่งจากนั้นก็ตั้งจิตให้เป็นสมาธิได้พิจารณาเห็นขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาทำอาชวะทั้งปวงให้สิ้นไปแล้ว ก็ได้บรรลุอรหัตผลเมื่อภิกษุณีกลับมาได้ถามถึงน้ำร้อนหม่อมฉันอธิษฐานเตโชธาให้น้ำร้อนเร็วพลันภิกษุณีเหล่านั้นพาพันอัศจรรย์ใจไปกราบทูลพระชินเจ้าผู้ประเสริฐให้ทรงทราบเรื่องนั้นพระผู้เป็นนาถทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงชื่นชมได้ตรัสคาถานี้ว่าแท้จริงบุคคลผู้ปรารกความเพียรอย่างหนักมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ก็ประเสริฐกว่าคนเกียบครานและละทิ้งความเพียรมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีพระมหาวีระเจ้าหม่อมฉันให้ทรงพอพระไทยแล้วเพราะการปฏิบัติดีพระมหามุนีพระองค์นั้นประสรนเสริญหม่อมฉันว่าเป็นผู้เลิกกว่าบรรดาภิกษุณีทั้งหลายผู้ปรารกความเพียรกิเลสทั้งหลายหม่อมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงม่อมฉันก็ถอนได้แล้ว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 วิโมกแปดและอภินยาหกมอมฉันก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามอมฉันก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าพระโสนาภิกษุณีได้พาสิกข า, าเหล่านี้ด้วยประการชนี้โสนาเทริยาประธานที่หกจบ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 ครั้งนั้นมอมฉันเป็นภริยาของเศรษฐีชื่อว่าวิเทหะมีรัตนะมากในกรุงโงงสวดีบางคราวเศรษฐีนั้นพร้อมด้วยชนที่เป็นบริวารเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นดังสุริยะเทพบุตรได้ฟังพระธรรมอันนำความสิ้นทุกข์ทั้งปวงมาให้ของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้นำประกาศสรรเสริญภิกษุผู้เป็นสาวกรูหนึ่งว่า เป็นผู้เลิกกว่าบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้ถือธุดงมอมฉันได้ฟังแล้วได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าผู้คงที่ตลอดเจ็ดวันแล้วศพศีรษะลงแทบพระยุ ค, คลบาทปรารถนาตำแหน่งนั้นก็ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแห่งนระเมื่อจะทรงให้บริษัทร่าเริ่มได้ตรัสรัตเหล่านี้เพื่อทรงอนุเคราะห์เศรษฐีว่าดูก่อนบุตรเธอจะได้ตาแหน่งที่เธอปรารถนา จงเป็นผู้เย็นใจเถิดในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศ า, าสดาพระนามว่าโคดมตามพระโครทรงสมภพในราชสกุลโอกากากราชจากอุบัติขึ้นในโลกเธอจักมีนามปรากฏว่ากัสสะตามโครเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรจากเป็นสาวกของพระศาสดาพระองค์นั้น เศถษฐีได้ฟังพุทธประยกร น, นั้นแล้วเป็นผู้มีความยินดีมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระชินเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำวิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิตพระองค์ทรงประกาศศาสนาให้รุ่งเรืองแล้วย่ำยีเดียรถีผู้หลอกลวงได้แล้วทรงแนะนำเวนยสัตคือผู้ที่ควรแนะนำได้พระองค์พร้อมทั้งพระสาวกปรินิพานแล้ว เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เลิศในโลกนั้นปรินิพานแล้วเพื่อจะบูชาพระศาสดาเศรษฐีนั้นจึงเชิ ญ, ญญาติและมิตรมาประชุมแล้วพร้อมกับญาติและมิตรเหล่านั้นได้สร้างพระสถูพระัตนะสูงได้เจ็ดยอซึ่งมีความรุ่งเรืองเหมือนดวงอาทิตย์และเหมือนต้นพยาไม้สาระที่กำลังมีดอกบานสะพรั่งมืฉันได้ให้ช่างเจ็ดคนใช้รัตนะเจ็ดประการทำตุ่มเจ็ดแสนใบ ซึงโช่ช่วงเหมือนไฟหไหม้ไม้อ้อหม่อมฉันบรรจุน้ำมันหอมจนเต็มตามประทีบไว้ณพระสถูกนั้นเพื่อบูชาพระาศาสดาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ทรงอนุเคราะห์สรรพสัพตว์ม่อมฉันให้ช่างทำหม้อเจ็ดแสนใบใส่รัตนะต่างๆจนเต็มครบทุกใบเพื่อบูชาพระาศาสดาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในระหว่างกลางหม้อทุกแปดใบ ยกพวงทองตั้งประดับไว้ซึ่งมีรัศมีรุ่งโรดเหมือนดวงอาทิตย์ในสาธกาลที่ประตูทั้งสี่มีเสารเนียรซึ่งทําด้วยรัตนะทั้งมีแผ่นกระดานที่ทําด้วยรัตนะหน้ารุ่นรมยกขึ้นไว้ย่อดงดงามคูและปล่องที่สร้างไว้อย่างดีก็รุ่งโรดธงรัตนะที่ยกขึ้นไว้ล้วนงามไพโรด พระเจดีย์ที่สร้างด้วยรัตนะนั้นสร้างไว้อย่างสวยงามมีสีสุก ม, มีรัศมีรุ่งโรจน์ดุดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์พระสถูปของหม่อมฉันมีสามด้านด้านหนึ่งบรรจุหรดานด้านหนึ่งบรรจุมโนศิลาด้านหนึ่งบรรจุแร่พวงไว้จนเต็มหมอมฉันให้ช่างทําเครื่องบูชาที่น่ายินดีเช่นนี้แล้วได้ถวายทานแก่พระสงฆ์ผู้กล่าวธรรมที่ประเสรศิฐตามกําลังจนตลอดชีวิต มอมฉันกับเศรษฐีนั้นทาบุญเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงจนตลอดชีวิตแล้วได้เกิดเกิดในสุปติภพร่วมกันเสวยสมบัติทั้งหลายทั้งในเทวดาและในมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดร่วมกับเศรษฐีนั้นปานประหนึ่งว่าเงาติดตามตัวนกนับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกับนี้ไปพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทรงเป็นผู้นาทรงมีพระเนรงาม ทรงเห็นแจ้งธรรม ท, ท่งปวงสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นท่านเศรษฐีได้เกิดเป็นพรามในครุงพันธุมดีเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นผู้มั่งคั่งด้วยคุณธรรมแต่เป็นคนจนแสนจนด้วยทรัพย์แม้ครั้งนั้นมอมฉันก็เป็นพรามนีของพรามนั้นมีความคิดอย่างเดียวกันบางครั้งพรามนั้นเข้าเฝ้าพระมหาหมุนีซึ่งประทับนั่งทรงแสดงอมตะบทอยู่ในหมู่ชน ได้ฟังทำแล้วเบิกบานใจได้ถวายผ้าสาดกผืนหนึ่งมีผ้าน่วงผืนเดียวกลับไปเรือนแล้วได้บอกหม่อมฉันว่าน้องหญิงเชิญอนุโมทนามหาบุญเถิดผ้าสาดกพี่ได้ถวายพระพุทธเจ้าไปแล้วขณะนั้นหม่อมฉันมีความเ อ, อิบอิ่มประนมมืออนุโมทนาว่าข้าแต่สามีผ้าสาดกท่านถวายดีแล้วแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้คงที่ พระหมณีความสุขระดับตกแต่งแล้วเวียนไหยตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในกรุงมพารณสีที่น่ารื่นรมครั้งนั้นหม่อมฉันเป็นพระมเหสีผู้ประเสริฐกว่าพวกนางสนมเป็นที่โปรดรานอย่างยิ่งของเท้าเธอเพราะความรักที่มีในการก่อนพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นทอดพระเนตรเห็นพระปเจของพรเจ้าแปพระองค์ผู้เที่ยวบินบาต ทรงเบิกบานพระไทยได้ถวายอาหารบินทบาทที่มีราคามากนิมนทรพระประเจกขพุทธเจ้าทั้งหลายไว้ทรงสร้างรัตนมนต์ดกซึ่งประดับด้วยทองมีรัศมีเปล่งปลั่งที่พวกช่างทองได้ทําไว้ซึ่งสูงประมาณร้อยศอกเท้าเธอทรงเลื่อมใสรับสั่งให้นิมนทรพระประเจกขพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วได้ทรงถวายทานแก่พระปจเจกขพุทธเจ้าเหล่านั้น เ, เข้่มมาในพระราชนิเวศด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองแม้ครั้งนั้นหม่อมฉันก็ได้ร่วมถวายทานนั้นกับพระเจ้ากาสีได้เกิดในกาสุกขามในกรุงพาราณสีอีกพระเจ้ากาสีกับพระพาดามีความสุขอยู่ในตระกูลขุดุมพีที่เจริญหม่อมฉันเป็นพันยาของพี่ชายคนโตปรนิบัตสามีอย่างดีน้องชายของสามีหม่อมฉันเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว นำอาหารของพี่ชายไปถวายแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นเมื่อพี่ชายผู้ซึ่งเป็นสามีของหม่อมฉันมาถึงแล้วจึงได้บอกสามีให้ทราบเขาไม่ยินดีทานจากนั้นหม่อมฉันก็ได้ให้อาหารที่ตนนำมาเพื่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายแก่สามีนั้นสามีนั้นได้ถวายอาหารนั้นแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นอีก ขณะนั้นมอมฉันโกรธจึงเทอาหารที่ถวายแก่พระประเจ ก, กพุทธเจ้านั้นทิ้งเสียได้ถวายบาทที่เต็มด้วยเปลือกต้มแก่พระประเจ ก, กพุทธเจ้าผู้คงที่นั้นครั้งนั้นมอมฉันเห็นใบหน้ามีจิตสงบของท่านทั้งในการให้การรับการเคารพและการประทุษร้ายจึงสลดใจมากมอมฉันมีจิตเลื่อมใสรับบาดมาแล้วใช้น้าหอมอย่างดีล้างจนสะอาด บรรจุน้ำตาลกรวดกับเปรยงจนเต็มบาทแล้วถวายคืนหม่อมฉันเกิดในพกใดๆก็มีรูปงามเพราะถวายทานแต่มีกลิ่นตัวเหม็นเพราะการย่ำยีที่กระทำไม่สมควรแก่พระปัจเจ็ีพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจดีของพระธทรเจ้าพระนามว่ากัสปะซึ่งสามีหม่อมฉันได้ให้สร้างสำเร็จแล้วม่อมฉันมีความยินดีได้ถวายแผ่นอิทองคาอย่างดีอีก ชุบอิดนั้นให้ชุ่มด้วยของหอมสี่ชนิดจึงพ้นจากโทษที่มีกลิ่นตัวเหม็นกลายเป็นผู้มีรูปทรงสมส่วนไปทั่วสันพ่ากายให้จ้างใช้รัตนเจ็ดประการทำถาดเจ็ดพันถาดเต็มไปด้วยเปลี่ยและไส้เป็นพันๆใสไปแล้วตามประทีปตั้งไว้เจ็ดแถวเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกด้วยจิตที่เลื่อมใจแม้ครั้งนั้น หม่อมฉันมีส่วนในบุญนั้นโดยพิเศษสามีของหม่อมฉันเป็นเกิดในแคว่งกาสีมีนามปรากฏว่าสุมิตะหม่อมฉันเป็นพัญญาของเขามีความสุขอันเขาประดับตกแต่งแล้วเป็นที่รักครั้งนั้นสามีของหม่อมฉันได้ถวายผ้าโภคศรีรษะเนื้อดีแก่พระปัจเจกรมุนีแม้หม่อมฉันก็มีส่วนแห่งทานนั้นอนุโมทนาทานที่ประเสริฐ สามีได้ไปเกิดในกำเนิดแห่งชาวโกริยะในแคว่งกาสีอีกครั้งนั้นสามีของหม่อมฉันพร้อมด้วยบุตรของชาวโกริยะห้าอคนได้บำรุงพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้า500อองค์นิมนต์พระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าเหล่านั้นให้อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสแล้วได้ถวายไตรจีวรครั้งนั้นหม่อมฉันเป็นพัญญาของเขาเป็นผู้ปฏิบัติภูสุนตกรรมบว สามีจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เป็นพระราชาพระนามว่านันทะมียศมากแม้หม่อมฉันก็ได้เป็นพระมเหสีของเท้าเธอเป็นผู้มีสมบัติให้สาเร็จสิ่งที่ต้องประสงค์ทุกประการพระเจ้านันทะนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนามว่าพรหมทัตครั้งนั้นพระปจเจกมุ500นีห้าร้อยองค์ท่วนผู้เป็นพระโอรสของนางปฐุมวดี มอมฉันได้บำรุงจนตลอดชีวิตนิมนต์ให้พักอยู่ในพระราชอุทยานแล้วและบูชาพระประเจกพรพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้นิพพานแล้วมอมฉันทั้งสองได้สร้างเจดีย์หลายองค์แล้วก็พากันออกโบวถเจริญอัปปมัญญาแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกแล้วสามีของม่อมฉันเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อปิพลายณนะที่ประเทศมาหาติถะ มารดาชื่อสุมนณเทวีบิดาเป็นพราหมโกศยโคตรมอมฉันเป็นที่ดาของกระบินลพราหมมารดาชื่อสุจิมตีในมัทชนบทนครสากระที่ประเสริฐสุดบิดาหล่อรูปของ ม, มอมฉันด้วยทองคำแท่งแล้วถวายรูปหล่อแก่พระกัสสปะธีระเจ้าผู้เว้นจากตามทั้งหลายพราหมปิดพระพลายณะนั้นเป็นหนุ่มไปตรวจดูงานในการบางคราว เห็นสัตว์ทั้งหลายที่ถูกกาเป็นต้นจิกกินแล้วเกิดความสลดใจครั้งนั้นมอมฉันเห็นเมล็ดงานที่อยู่ในเรือนซึ่งนำออกพึงแดดเห็นกาจิกกินนอนอยู่ได้ความสลดใจครั้งนั้นพรามปิพพลายณะผู้เป็นปาฏ์ออกบวชมอมฉันก็ออกบวชตามอยู่บำเพ็ญศีลพรตของปริพาชกห้าปีเมื่อพระนางโคตมีผู้บำรงเลี้ยงพระชินเจ้าทรงผนวชแล้ว หมอมฉันได้เข้าไปหาพระนางและเป็นผู้อันพระพุทธเจ้าสั่งสอนแล้วโดวยกานไม่นานนักมอมฉันก็ได้บรรลุอรหัตผลโอเรามีพระมหากสปาเทระผู้มีสิริเป็นกลยานามิตรพระกัสปเทระเป็นพุทธบุตรเป็นทายาทของพระพุทธเจ้ามีจิตตั้งมั่นดีรู้ปุเพนิวาสานุสติยานเห็นสวรรค์และอบายอันหนึ่งท่านถึงความสิ้นชาต เป็นมุนีอยู่จบอภินยาด้วยวิชาสามเหล่านี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพรามผู้มีวิชาสามพระตกาปิลาเนียก็เหมือนกันได้วิชาสามละม จ, จุราเสียได้ทรงร่างกายนี้เป็นที่สุดชนะมารพร้อมทั้งเสนามารแล้วมอมฉันทั้งสองเห็นโทษในโลกแล้วพาพันบูตเป็นผู้สิ้นอาสวะฝึกตนแล้วมีความเย็นดับสนิทแล้ว กิเลสทั้งหลายมอมฉันก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงม่อมฉันก็ถอนได้แล้วม่อมฉันตัดกิเลสเครื่องผูพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุจพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่หมอมฉันมาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามมอมฉันได้บรรลุแล้วโดยลําดับ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าม่อมฉันก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหละคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินญาหกมอมฉันก็ได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าม่อมฉันก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าพระพัทธราปิลานีภิษุณีได้พาสิกข า, าเหล่านี้ด้วยประการศนิ พัทธาปิลานีเทรยาประทานที่เจ็ดจบ